บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดอีโนเฟอร์ที่ไหนอ orientering สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะโอเอ๋อชวยสปิโร่คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ พาดู une, องกคด์ over ที่นี่ได้ไหมคะ it, it มือมเกเา็อยู่ที่ไหนวิหารอยู่าที่สุดพิพิกที่นี่มีอ่ไี่ไหน ซ, ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหนว่ามันคอไปฟรงมอร์ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนว่าจะมันคนบไปบลอมสตอรซื้อตั๋วได้ที่ไหนว่าจะมันคบไปบิเลเลต์ต์ถ้าเรืออยู่ที่ไหนวออ่าเหา่าน ตลาดอยู่ที่ไหนรรปราสาทอยู่ที่ไหนการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่าววรการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ดิฉันต้องการมักคุเทศที่พูดภาษาเยอรมันดยากได้องการมัิคุเทศกไที่พูดภาษาอิตาเลียน ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศสฉันอยากมีไกด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส